Oh. ถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับการดําเนินชีวิตทุกวันนี้ยิ่งกว่ายุกใดสมัยใดถ้าตัดเรื่องข้าวปลาอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับการดําเนินชีวิตในยุคนี้เนี่ยบางคนอาจจะตอบว่าวิชาความรู้บางคนจะบอกว่าวิชาความรู้ยังไม่พอต้องมีปริญญาด้วยโดยเฉพาะในเมืองไทย ปริญญาก็สำคัญแลวก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆบมงคยจะตอบว่ามิสหายเคลือคลายหรือว่าจุลินึรีเส้นสายนะรับหลายคนนี่มันสิ่งจำเป็ น, นมากเลยนะในยุคนี้แต่บาอยนจตอบว่าคุณธรรมความดีที่พูดมาเนี่ยนะก็ก็ถูกหมดนะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้มากเรียกว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดที่ผ่านมาเสียอีกนะสิ่งนั้นคืออะไรนะคือสติถ้าปราศจากสติเสียแล้วเนี่ยแม้จะมีวิชาวความรู้มากมายหลายปรยิญญามีเครือข่ายเส้นสายที่ทำให้ประสบความเสเร็จในชีวิตมีอำนาจ หรือแม้จะมีคุณธรรมแต่ถ้าขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็จะสูญสลายหายไปได้ไม่ยากแม้กระทั่งคุณธรรมความดีเนี่ยถ้าขาดสติเสร็จแล้วนี่มันก็ก่อนแคลนนะทำไมถึงว่าสติมันจำเป็นสลหรับการดำเนินชีวิตในยุคนี้มากกว่ายุคใดสมัยใดก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ย ถ้าเราเกิดเผลอเกิดพลังขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะก่อความเสียหายได้มากมายกว่าแต่ก่อนนะแล้วถ้าคนเราไม่มีสติเสร็จแล้วเนี่ยไอความพลังความเผลอก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วก็จะตามมาด้วยความเสียหายนะที่มากมายกว่ายุคก่อนๆเพราะอะไรนะเพราะสมัยนี้เนี่ยเรา มีเทคโนโลยีมันกลายเป็นเครื่องขยายศักยภาพของมนุษย์แลวเทคโนโลยีเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีอนุภาพมากนะอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันนับวันมันยิ่งเร็วยิ่งแรงถ้าว่าขับรถเนี่ยขาดสติ ว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเพราะเมาเหล้าหรือว่าหลับในหรือว่าดูโทรศัพท์จนไม่ทันมองรถข้างหน้าเนี้ยนี่มันคือความเผลอความพลังนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายบางกีไม่ใช่แค่คนสองคนอาจจะ เป็นนับสิบคนเลยก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะนะขี่เกวียนหรือว่าขี่จักรยานเนี่ย<ม>เผลอพลั้งขาดสติมันก็แค่หัวรางข้างแตกนะแล้วก็อาจจะมีแต่คนขับเท่านั้นแหละนะที่เดือดร้อนแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ที่ไม่รู้อินทรนีเนีย่ยไม่ได้พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะว่าผ่าน ห, หน้นี่มัน มันไม่มีกำลังแรงนะเหมือนสมัยนี้แล้วรถยนต์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะมันทำให้เรามีอนุภาพนะมีพละกำลังมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผลอเราพลังขึ้นมานี่ก็ความเสียหายรุนแรงก็ตามมาไม่ใช่แค่รถยนต์นะอย่างนี้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราขาดสติเราเผลอเราพลังขึ้นมา ไฟช็อตหรือว่าอาจจะเกิดุบัติเหตุเพราะว่ามือเปื้อนน้ำนะพอเสียบไฟเข้ามันก็ช็อตถึงตายทั้งที่เพียงแค่จะต้มน้ำสมัยก่อนที่ก่อไฟเนี่ยนะมันจะเพอจะพองยังไงมันก็ไม่ได้ถึงตายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลัง เล่นกําลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผลอพลังแม้จะครั้งเดียวนี่ก็อาจจะถึงตายแล้วก็เดือดร้อนแลวเดี๋ยวนี้มนไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีเช่นรถยน์เท่านั้นนะเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยมันสามารถจะก่อผลกระทบ ที่กว้างไกลอย่างที่เรานึกไม่ถึงเราเผอเราพลั่งเมื่อไรนี่ก็วัยเดือดร้อนอย่างที่คนรุนก่อนๆไม่เคยเจออย่างเช่นโทรศัพท์มือถึอองนี่นแต่ก่อนนี่เราเวลาเราไม่พอใจเราเขียนจดหมายไปด่าหรือว่าเราด่าต่อหน้าด้วยความโกรธมันก็รับรู้แค่ไม่กี่คน คนที่ไม่อยู่ในเหตุการ์ก็ไม่ได้รับรู้ด้วยหรือว่าไม่ได้รับรู้ทันทีและสิ่งที่รับรู้ก็อาจจะไม่ได้ตรงความจริงแต่ในนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนะแม้วเวลาเราเกิดหักห้ามใจไม่อยู่เนี่ยเกิดความโกรธเขียนข้ อ, ขอความต่อว่าด่าทอดูถูกเย็ดย้ำใครบางคนหรือคนบางกลุ่ม ไอสิ่งที่เราพูดนี่มันมันไม่ได้แค่รับรู้เฉพาะขนอยู่รอบตัวเรานะโอ้มันแพร่ไปไกลไปทั่วโลกเลยและสุดท้ายก็ต้องรับกรรมนะจากสิ่งที่ทำอันนี้คนก็เดือดร้อนกันเยอะเพราะการขาดสติเพราะความบู้วามบางทีเจ้าตัวไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าคนอื่นเห็น การกระทำบางอย่างเนี่ยเราเผลอเราพลาดเราพลัง้งนะด้วยลมโชวุ่งเนี่ยมันก็มีคนรู้ไม่กี่คนแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีคนที่สามารถจะเห็นการกระทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องของเรานี่มันกระจายไปทั่วโลกเลยหรือว่าทั่วประเทศอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแก้วหมาไปไปเดินเล่น ประเทศเกาหลีนี่เขามีกฎหมายว่าเนี่ยถ้าหมาเนี่ยมันถ่ายอุจจาระเนี่ยนะเจ้าของก็ต้องเก็บนะที่จริงอันนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มีอยู่หลายๆประเทศแล้วต้องเก็บนะขี้ของสุนัข น, นะที่มันถ่ายตามถนนหรเพผีคนหนึงเนี่ยแกเอาหมาไปเดินเล่นแล้วหมามันก็เกิดขี้มาแต่แกนว่าไม่มีคนเห็น ก็เลยเดินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดนะก็ก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่คลิปนี้แพร่หรือตามเว็บไซต์ต่างๆอ้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคนก็ลุมกันน่ำดา่าเสียผู้เสียคนไปเลยต้องออกจากงานพ่อแม่รวมทั้งที่ทำ ง, งานก็เดือดร้อน ใเวลาเราทำอะไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทำผิดทำาผาดอะไรมากนะแต่ว่าเพราะความขาดสติเผลอไอ้อสิ่งที่เราทำนี่มันจะกลายเป็นนะข่าวกระจายไปทั่วประเทศเลยนะอย่างทีพระเนี่ยไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยอาจจะไปซื้อถางไช้ตอนบ่ายหรือตอนเย็นเกิดเห็นของกินนะหักห้ามใจไม่อยู่นะ ก็ซื้อสลับเปลวเนี่ยเพราะว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็ถ่ายภาพเนี่ยหรือว่ามีคนที่มาซื้อของด้วยเกิดเหตุขึ้นมาก็กถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็โพสต์ประจา น, นก็เสียหายนะบางทีถึงก็ไม่มีวัดอยู่เลยทีเดียวนี่เป็นแค่ความเผลอแต่เผลอ สมัยนี้เนี่ยนะ ม, นมันมันมีผลกระทบที่รุนแรงมากงั้นถ้าขาดสติขึ้นมานะมันก็จะเดือดร้อนยิ่งกว่ายุคก่อนๆสินะแล้วเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันทำให้คนในหูตาเป็นสับประรดนะแต่ว่ามันยังเป็นช่องทางมันเป็นช่องทางที่จะให้ มิจฉาชีพเนี่ยหรือผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ง่ายแต่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วโดยเพราะบ้านที่มีกำแพงแน่นหน า, นามีประตูโรงกรนที่แน่นหนาแต่นที่อยู่บ้านจรมันจะไม่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าผู้มิจฉาชีพก็อาศัยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็ น, นสื่อในการเข้าถึงตัวเรา สามารถจะหลอกเอาเงินเราโดยการกระตุ้นความโลภหรือกระตุ้นความกลัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีวิชาชีพส่งข้อความว่าเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศมเที่ยวประเทศต่างประเทศเนี่ยถ้ากดถ้าฉีดวัคซีนครบกดหนึ่งฉีดวัคซีนยังไม่ครบกดสองคนส่วนใหญ่ก็อยากไปนะ ไปฟรีก็กดหนึ่งนะกดหนึ่งเท่านั้นแหละนะเดือดร้อนเลยถูกแฮกนะเสร็จ แ, แล้วเงินทองก็หรือข้อมูลที่มีค่าสำคัญก็สูญหายไปด้วยหรือว่าถูกฉกฉวยไปใช้เดือดร้อนเลยนะขนาดอยู่ในห้องนอนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยจากผู้ประสงค์้ายหรือมิจฉาชีพเนี่ยอันนี้ส่วนนึงเพราะขาดสตินะ ไม่ทันคิดให้รอบคอบก็กดเลยนะพอกดแล้วก็ก็ต้องเจอผลกระทบที่เสียหายตามมาเดี๋ยวนี้วิชาชีนี่มันเข้าถึงตัวเราได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดหรือเวลาใดเพียงเพราะการมีโทรศัพท์มือถือเนระืนอกอจากนั้นนะ ทุวันนี้มันก็ยังมีสิ่งที่สามารถจะฉุดให้เราลงต่ำตกต่ำายื่แย่เสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเยอะแยะมากมายและเข้าถึงง่ายส่วนหนึ่งก็ใช้โทรศัพท์ ม, มือถือเนี่ยนะโทรศัพท์ ม, มือถือที่มันสามารถเป็นประตูไปสู่อาบายได้ เพราะว่าสามารถจะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายเช่นเว็บลามกหรือว่าเพจเกี่ยวกับการพ น, นันแต่ก่อนเนี่ยสมมติอยู่วัดเนี่ยนะมันก็แคล้วคลาดจากเรื่องพวกนี้แล้วล่ะหรือว่าอยู่โรงเรียนก็แค้วคลาดจากเรื่อง อาบายามุกแล้วแต่เด๋ยนนี้เนี่ยสามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากอาศัยโทรศัพท์มือถือถ้าาไม่รู้จกักหากข้ามใจหรือขาดสตินะมันก็พลังพลาดถูกล่อหลอกให้เข้าไปโนเนียแล้วก็ถูกมันฉุดให้ ลงต่ำบางทีสิ่งที่ทำเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่รู้ยากขาดห้ามใจหรือขาดสตินี่ก็แย่นะอ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันมีสอสอฝ่ายรัฐบาลของประเทศเองังกฤษเนี่ยที่กำลังประชุมสภาอยู่นะแกก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาดู ที่เรจะดูข่าวนะตอหลังก็ไม่รู้หัก้ามใจไม่ได้ก็ไปดูเว็บลามกไปดูภาพโปก็มีเพื่อนสอสอเห็นนะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยฟ้องนะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะแม้กระทั่งเมืองไทยก็ยังรับรู้เลย สุดท้ายแกก็ต้องลาออกนะอับอายขายหน้าประกาศลาออกทั้งที่เป็นสอสออาวุโสมาสิบสองปีเนี่ย mm hmm. ก็มีสิทธิที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ว่าเพียงเพราะความพลั้งเผลอแกก็ยอมรับนะแกใช้คาว่าเนี่ยตอนนั้นผมขาดสติตอนนั้นผมขาดสติต ถ้ามีสตินะมันไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็ทำอย่างนั้นได้ยากเพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะจะไปดูภาพโป้เนี่ยก็ต้องดูจากหนังสือนะซึ่งก็คงทำได้ยากนะถ้าหากว่าอยู่ในสภาจะเด๋ยนนี้เนี่ยอยู่ในสภานี่ ไอสิ่งที่ไม่ควรก็ยังทำได้เพราะว่ามันมีสิ่งยั่วย้าให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ในสภาดรยวในวัดนะหรือว่าในที่ไหนเนี่ยไอสิ่งที่จะฉุดให้เราลงต่ำหรือย่าแย่เนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายเหลือเกินถ้าไม่มีความยับยั้งชั่งใจหรือไม่มีสตินะก็ก็พลาดแล้วพอพลาดแล้วเนี่ยนะ มีคนเห็นบางทีก็ไม่ได้เห็นด้วยตาเดียวก็ถ่ายรูปหรือในกล้องวงจรปิดเนะี่ต้องก็แพร่ไปทั่วตัวประเทศทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยในสมัยเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยแล้ ว, ว่ามากกว่ายุคใดสมัยใดนะัคือการมีสติแม้จะมีคุณธรรมนะ แต่ถ้าขาดสติแล้วนี่ก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวนะถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแก้ง call center นะหรือว่าอาจจะเผลอยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะไปไปดูภาพโป๊หรือว่าไปเล่นการพนันเกิดติดขึ้นมาเนี่ยนี่คนเป็นเนีเป็นสินพ่อพนันออนไลน์เนี่ยเยอะมากเหลือเกินเพราะมันเข้าถึงง่าย บางคนก็อาจจะแค่อยากจะลองดูนะว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เกิดพาดท่าขึ้นมาถล่มลึกหรืออาจจะไม่ถล่มลึกแต่มีคนเห็นแล้วเขาก็ไปประจานนั้นจึงบอกว่าเนี่ยุยคนี้เนี่ยนะสตินี่สำคัญกว่าสมัยก่อนมากเลยและที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ เพียงเพราะเหตุผลที่ว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่มีอนุภาคแล้วก็สามารถจะเป็นสื่อให้เราเข้าถึงสิ่งที่กระตุ้นเราให้เราเกิดกิเลสจนเผลอตัวไม่ว่าจะเป็นโทสะโรภะราคะเท่านั้นนะ หเหตผลนัพราะความสดวกสบา ย, นยในยุคนี้มันมีมากกว่ายุคก่อนและพราะความสะดวกสบายนี่แหละนะถ้าเราขาดสติเราก็จะประมาทได้ง่ายสมัยนี้เนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากมายที่ทําให้คนเนี่ยฉลาดใจและประมาทจนลืมไปว่าเนี่ยไม่ว่าจะสุขสบายอย่างไรไม่ว่าจะ ประสบความสาเร็จยางไรสุดท้ายก็มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียและความตายดีความสุดวกสบายมันทำให้เราหลงลืมนะและทำให้เราเนี่ยคิดว่าเนี่ยเราจะสบายงี้ไปจนชั่วฟ้าดินสลาย ตัวลืมไปว่าเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องปลัวเราต้องพัดภาพจากของรักของชอบใจเราต้องตายในที่สุดไอความสบายมันทำให้เราประมาทแต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่หลงเพลินนะเราก็จะเห็นความสำคัญการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้กับความทุกเหล่านี้ อีกอย่างนี้คือว่าพอมันสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกจิตฝึกใจหรือรู้จักทำใจคนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาอากาศหนาวาก็ต้องทำใจนะอากาศร้อนก็ต้องทำใจเพราะมันไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีฮีเตอร์เ็าต้องอาศัยการทำใจการฝึกใจให้อยู่กับความลำบากได้ บางทีอดมือ้อกินมื้อก็ต้องทําใจหรือว่าอาหารแม่อร่อยอก็ต้องทําใจแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เห็นความสํำคัญการทําใจเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอํานวยความสะดวกสิ่งปนเปอให้เกิดความสึกสะดวกสบายไปคิดแต่จะเรียกร้องจัดการกับสิ่งภายนอกและถ้าไม่สบายก็หาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาซื้อความสบาย แตไม่เลยรู้ที่จะฝึกใจนี่พอไม่เลยรู้จะฝึกใจเนี่ยนะพอเจอความทุกข์เข้านะมันเสียศูนย์ไปเลยนะน่าจะเจอความยากลาบากหรือบางทีอาจจะไม่ได้ลําบากมากนะอย่างเช่นพอสบายมากๆเนี่ยถึงเวลาเขาล็อกดาวน์เนี่ยหลายคนเนี่ยล็อกดาวน์ช่วงนี้ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปช็อปปิง้งแต่ก็ยังอยู่สบายที่บ้านได้หลายคนนี่เป็นทุกข์มากเลยนะเป็นทุกข์มากอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้นะในการที่จะฝึกจิตรวมทั้งเนี่ยเป็นพ่อควาความที่ไปเพลิดเพลินความสะดกสบาย จนขาดสติแต่ที่มีสตินะเออมันก็จะรู้นะว่าเอออย่าไปติดกับความสบายมากเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงถึงเวลามันก็อาจจะขุกนคลักแทนที่จะติดกับความสุขสบายก็รู้จักฝึกจิตฝึกใจมันก็ทําให้แม้จะมีความขุกนคลักความลําบากแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกข์ เช่นกันเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ได้ทุกข์มากนะเพราะว่ารู้จกักฝึกใจเอาไว้แล้วไม่ได้คิดแต่อย่าพึ่งนะสิ่งภายนอกอย่างเดียวเพราะนันเนี่ยอันนี้คือความจริงที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะว่ารับวันเนี่ยสติจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแลเราจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแลวพอ คนขาดสติเข้าเนี่ยนอกจากเผลอพลัง้งแล้วเกิดผลกระทบมากมายแล้วเนี่ยในความประมาทเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือนะกับความแปรเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นทื่นี่หลายคนก็เห็นนะว่าสติสำคัญนะแต่ว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะฝึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องทำเมื่อไหร่ก็ได้นะ มันไม่ใช่เรื่องรีบด่วนหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายไม่เหมือนเรื่องไม่เหมือนกับเรื่องการทํามาหากิ น, นอันนี้ก็เป็นความประมาทนะและ่จริงเนี่ยถึงแม้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องรีบด่วนแต่ว่ามันก็สมควรที่จะทําทุกวันสะสมมาละนิดมาละน้อยเหมือนกันออกกําลังกายแล้วใครจะไปรู้นะถึงเวลาเนี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งมีความสําคัญขึ้นมา เพียงแค่เดินลงบันไดแล้วขาดสติก็ตกลงมาหัวล่างข้างแตกได้ข้อห้องน้ําเกิดลื่นถลไลเพราะขาดสติใจลอยก็ถึงตายได้ที่นี้การการที่เรายัมีสตินะต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นความสำคัญการรู้จักยับยั้งชั่งใจจะทําอะไรเนี่ยนะมันมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลบความกลัวความโก ร, โ ก, ร, โ ก, รก็จะพึ่งไปผีพามทําอะไร รู้จักจับยังชั่งใจนะเวลาอยากนะแต่ว่าไม่ทำตามความอยากทัง้งที่มันทำได้และทาได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่กับมือเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงอะไรที่จะเราสามารถจะสนองกิเลสได้ง่ายเหลือเกินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเทคโนโลยีต่างๆถ้าไม่รู้จักจับยังชั่งใจนก็พาทาเสียทีโดนกิเลสมาเล่นงานแล้วเกิดความเสียหายตามมา ตเราต้องฝึกนะหน้ารู้อจักดับยังช่างใจว่าไม่ผีผามเพราะถ้าเราไม่ผีผามเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทํางานเพราะสติคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทํางานช้านะต้องให้เวลามันนะถ้าเราอยากดับยังช่างใจแล้วก็ไม่ผีผามไม่รีบด่วนมันก็เปิดโอกาสให้สติได้ทํางาน เกิดได้สติขึ้นมานะแทนที่จะกด1กด2อ่ะมันมันยั้งเอาไว้เจอ๋ยแกง call center พูดให้กลัวแทนที่จะทำตามที่เขาสั่งน ะ, ะแล้วก็เกิดได้สติขึ้นมาเพราะว่ารู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ผีผาลาม้สองอย่างนี่มันก็มันช่วยให้ทราให้มีสติได้นะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำอะไรไม่ผีผาลมรู้จักทำอะไรช้า ยิ่ถ้าหาว่าเราเนี่ยรู้จักกลับมามองตนอยู่บ่อยๆอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าเรารู้จักถามตัวอเองบ่อยๆว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้คิดอย่างไรตอนนี้นะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเรากลับมาถามตัวเร า, เาถามตัวเราเองแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้มีสติและความรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า แค่นั้นอาจจะยังไม่พอนะเพราะบางทีมันก็ลืมถามนะลืมถามลืมมองว่าตัวเองเป็นอย่างไรตอนนี้จนกว่าเราจะฝึกสติเนี่ยเป็นอา จ, จิ น, เ, นเราจะรู้ทันหรือว่ารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรเนี่ยได้เร็วนี่ก็เพราะว่าเรารู้จักฝึกให้รู้กายเวลาทําอะไรก็ทําด้วยความรู้สึกตัว เ, เวลาทําอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับเนื้อกับตัว ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเราฝึกให้รู้กายรู้ว่ากายกาลังทำอะไรหรือว่ารู้สึกตัวในขณะที่กายกาลังทำนั่นทนํานี่ในการที่รู้กายเนี่ยมันก็ทำให้มีสติรู้ใจได้เร็ว แ, แทนที่จะถามตัวเองอยู่บ่อยๆตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกยังไงบางทีไม่ต้องถามนะสติมันบอกสติมันตอบให้เราสติมัน มันเตือนเรานะว่าตอนนี้นี่กําลังเครียดนะตอนนี้นี่กำลังร้อนนะตอนนี้กําลังโกรธน ะ, ะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เผลอไปทําตามหน้าของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างมันเป็นอารมณ์ของกิเลสนะที่ถ้าเราเผลอทําตามมันเราก็เดือดรอด้อนไม่ว่าจะเป็นความโลภนะหรือว่าความโกรธหรือว่าความกลัวแล้วต้องหมันฝึกสติเอาไว้นะ ตั้งสติเพื่อให้เพื่อที่เราได้ตั้งสติได้เร็วนะยิ่งชีวิตนี้มันมีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่ยิ่งชีวิตนี้มันเร่งรีบมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องจำเป็น ต, ต้องมีสติให้มากขึ้นนะสติเป็นสิ่งที่นับวันจะสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้น้อยลงเลยค่ะที่พูดเท่านี้นะ